คุณธรรมะมรรคทั้งหลายซึ่งเป็นบนิัารทั้งจิงสุรสรมเนินบาศกโอทิกาผู้ที่บางรุ่งพุทธศาสนามีโอกาสมารวมกันบงเท่นกายว่าใาใจประชุงควรการตั้งเทสั่งใจให้ประกันเตือนเตือนใจของเจา้าของอาชา้าคนเท่าทั้งหลายนี่ปรกกันไฟฝันไปหลายอย่างแต่โดยมาก เหตุฉะนันการฝุดปฏิบัติตามอืม่บตัตรตามเมืองเข้ามันจึงแด็ดเรียวไปเดียวโครมชวทั้งหลายอทั้งสะกี่เกียรติฟังทั้งเล่าเกาะฟังทั้งสะเกาะอ่าอประกาศศีลทั้งเข้ากับธรรมทานศีลถ้าหากว่าเรามาสัง้งเกียรตเมืองตามเกียรตวกดด้าวทั้งหลายให้ท่านรักษาศีลทั้งเกติเมืเอ่อนี้ ข้นถึงพวนี้เกิดเป็นน้ำบาดาลน้ำเมืองเข้าสมเหตุสมผลนะถ้ า, าหากว่าเราเข้าใจเน้นหน้าที่ของเจ้าของอหน้าที่ของพระของเน้นหน้าที่ของอุบาสกอุวาสิกาเพื่อฟุ่นฟู่มพระศาสนานี่ถ้าหากว่าเราตั้งเข้าใจซะจริงๆสมควรต้องทีเสียสระมากข้างหนึ่งหรือข้าวหนึ่ง อ่าในมาบําเพนภูสศลอสมควรก็จะตั้งใจว่าการทําบุญหรือการให้ทานการทำํำบุญบ้านบุญเรือนหรือการสั่งบุญในระฆังกระคข้าทั้งหมดนี่นะร่วมข้งมาเนกเพื่อโเห็นแกตัวแกตูแต่แกเจ้าของมากเห็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นประโยชน์ส่วนร่วมด้วยกันมีการให้ทานองที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ มีเนลี่ยนการในตุแต่ก็ะวอกชาวพุทธศาสนายิงเนี้ยวิ่งแนีนยิงยิดช้าทักาิยบาลเขาคพือจะให้หายกว่าเรากว่านั่นซํากันกับวันนาบ้านหรือประตูวันใดบันหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ยยสิมวาเงียวเซนิเดอร์เขียนไว้เยสิมว่าสิอีญาเซนิได้ซกซกแห้งเอาไปเทใส่บัตรนี้ได้ร้ายหนนแห้งเป็นเงี้ยวเทวบุนั้นแห้งกันวนนี้เห็สะอาดแห้เวปซุกซกใส คือยังเวียนยังสันกรรนอันนี้สมที่เขาถ้าหากเราตัางใจแท้จริงๆนะเดี๋ยยินเดี๋ยวฟังเดี๋ยวทามาถ้าหากว่าการท่านอยู่จะโค้งหมายยังทีโอ้ยหวานเมื่อเขาอยู่เย็นเป็นสุขการสมาธาสินนี่การพระกันศระสินี่สมาธาสินนี่ถ้าเราเปาระกันสั้งใจจริงที่เดี๋ยวแค่แม่นสีสบายบานเมืังของเรานะอือ สร้งฟอร์งแมท harms, ทั้งหนกมทั้งร ah you ้านสร้างสอนหูก่มสาทุกตกคนถาเข้าใจในการตั้งถ้ำนักการเงินทัดจรินี่การสร้งถ้มบานนี่ือไาเข้าใจถาเข้าใจในการสั้งถจริงๆนี่ยโอ้ยแล้ววัตุนยบานนี้ทท่าเห็อันนี้เฮ็ดิมเครื่องนึงหลายกว่าเครื่องสองหรือิมวัตําก็มีเฮ็ดเซนเจกิริยาให้ท่านตามว่าเทนี่ ว่ต้องการว่าท่านเพื่อให้มันคัดเขขก่าข่วงลูกโม่โทษทใจใจใเท่าบเลยคการลังกะินเพื่อระงับข่วงปดจุไร่กจใจของจะกองอย่างนี้โเดคือการสร้งร้ามเพื่อให้ดูทั่วถึงทั้งเมืองส่วนทากลางที่สุดอยงนีโเลยคือทีอาา่นีนนมม่นะเนี่ยอาจจะว่าเป็นเด็กเคยเกิดว่านาผู้เถ่าเนี่ยมองวู้ได้นในตานพรเนี่ยดูดูไปนะโอ้ย ตลอดปู้ญาตายาเย้ยที่เคยคำพระคำเนีนมาตั้งแต่เฒ่าจนตายโบเคยวิจิหะย่าแต่ไม่นะคนนี้อยูวนะ่ว่าตั้งเกียรติเดียวใจจังขันกับไปจังเทศกับไปโบควรจะเสียนจักตุลูกว่าไรยันโบควรจะเสืยนั้งเทศตกับโบวรจะเกียรตเห็นวันเชิงเงข้าไปกับไปกันตือไปแทนตั้งเสียกับไปนางตั้งเี อันนี้คือความตั้งใจผิดของปุถุมามะกะเราทั้งหลายคิดได้หลายอืมแนวการก็พริบปฏิบัติขวัญเมืองเท่าจึงสุดโศกนองหลายทังลูกเต่าเร่าร้านกตกย่ามวายหยาดซ้อนหยาดพ่อแม่ษุกหยากนําบากน้าหลูกน้าเต่าเป็นอื่านีอืี่ขันว้าไปร้ายโดยพวกของจักเหลืองกับวันแหงมูจักเหลืองพวกของจักเหลืองพวกของเหล่า แล้วก็หูเรื่องหูเราในคุณาถาศาสนาแล้วเขาบอกคิดว่าการให้ทานการการักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังปัสสะมเทศนาอันนี้มันเป็นท่างดีที่สุดถ้าหากว่าเราตั้งใจถ้าการฟังการท่อนนการครับพวกนี้ไงซึ่งการว่ า, าการสมาทานถึงศีลสังนะศีลนีน่คือเป็นข้อหา้า ม, ามว่าไม่ห้ามก็มีเลย ถามแต่เ่ยมันพิดทังนั้นเนี่ยอันถามเนี่ดีๆใบวายวันโอเคทังสัตวกัไสเนี่ยเว้ยอันเชื่อวันบุรีทั้งมาถามจำเลยนะอันนี้มันกัแต่วิภหามมันกับบุรีเพราะแห้งเลยอันติตัวของมันย่างการตม้ยของกันเนี่ยนี่วิภัยหามมันกับพิษเต็มร้อยเ์ซ็ของมันเลยเอี๋ยวไปยังมีผู้หามอีํามันยังไปฟาดฝืนยงสินะแสดงราบนนู่นทั้งั้งหลายนี่ หลงหลายมืดหลายมืดหลายนี่มันมืดหลายก า, ารบริยิบบริฟังการฟังเทศนี่คือการอัตมาเตือนพระกันตั้งใจเมื่อฟังเทศฟั้งขำโดยมาเขาก็ฟังเทศอารม菩萨ถือป้ายคอยโยนเจ้าเจ้าโจดคอยไปอยางนั้นเนี่ยเทศไปเหยมวอนให้ได้เหยเรื่องเหมว่าเลยพวกพุทธเจ้าคนโบเรไม่สุการฟั้งเทศหมายถึงจัส ง, ง, งสรรคนรรรรเนี เพราะว่าเทศมวานเท ศ, าเท ศ, าเทศงานเทศเสียงดีเสียงบูดีเพื่อนบริวาหรอกเพื่อนเอาอัดมันเอาเนื้อทีของมันหรอกเอาบนแมนบนดีมันหรอก น, นี่ยยางไว้ทำช่างเนี่ยเสร็จมันจะบอกกันไปหอดช่างทําทางจะบอกทีแนวดีๆให้กันฟังตะแมียนเทศมัดกูเนี้ยการเทศันเป็นภาษาของธรรมะข้าขดเข้าท่างไหนต้องจิตใจวันวนั่งถา ม, มาตหรือไปใช้กับเศ่ศเทศข้อไม่จริงเทศ เ๋ยากนกาเอาอะไรมันแห้มีกระเทศยมกนกันคือว่าเทศยมก้วยฟังมันจิกินเขา่ากินกลาแ่ว่าข้าแล้ว่ได้ข้าใจข้าใจพิษจะว่าขา้าไร้วยไก่เป็นเพื่อนมีผีโชคมีกระเทศเทียมไก่ฟังใจมันจิขี่เพือนเอ า, ม, ามันนุเข้าบอกดูบวกร้านมันนี้ไม่ได้เดือดเที่มมันเป็นภาษาธรรมะธรรมปูดกระเทศ เทศไม่หมายการว่าทุ่งหรือเทหรือแท้งหรือทอดซี่ให้เห็นก็ผิดก็ถูก่ล้วคอับ่โบม่นจาเป็นอย่างไรเนี่ยโบม่นเราฟ้องเทศนะสนั้นการฟ้องเทศใจว่าเทศะนะาให้โค้ชจักกมจริงกันนะโ้ชังก็ต้องใจปั้งโค้ชจาก้มจริงมได้วามจริงวามผิดวามถู ก, ถ ก, ถกไปปฏิบัติอย่างพ่อบ้านแม่บ้านนี่ยู่ยต้องใพ่อบ้านนี่นาทียัง ผู้จากนาทีจะของหรือเ่ามบ้านนี่ น, นาทียัใไเป็นเมบ้านจิตารงานเขามบ้านเป็นอย่างไรจสีนาให้ห้าข้าใจกันทั้งสองอย่างอี่ยเดียวยูวปตะกร ล, ลูกอย่างไรนี่ยู่งจิตในกระตันยู่พอเมยูปะกล้าเดียวยังไงเดียวกพอบ้านก็ทางานตามนาทีของพอบ้านแม่บ้านก็ทาตาน ทำงานตามนาทีของแม่บ้านลูกก่อนทำงานตามนาทีของหนุ่พ่อแม่ก่อนทำงานตามนาทีของพ่อเขาเมีอย่างมันกับเบ้าเก่าตายกมันก็บสบายอืมันก็บสบายอันนี้ว่าหุจักเรื่องนั้นฉะนั้นความคิดทั้งหลายคนจึงถามถามเรียกที่เรียกว่าทินนี่แหละทีนนี่เป็นถามแล้วโลกคืบมุ่งไปว่านอกคืนคืนมึงกระได้การคิดเรื่อเรื่องบอดีมากไม่ติดทีินเท่านั้นนะเอาล่องเบิ้ง ออกก็ไม่ออกมูลินคันจิ้นดีเยี่ยมกว่าพิดคันที่ิดกันมันมีแนวนึ่งขนาะบมเมนต์ปากกับโมเมนกายเอออังศิวานีอะไรนี่ทะเลายกันนะนะน้องมรุกันอยู่ซื่อโยมไม่มีอยังพวกน็้อยังเดียมันพิษจิ้นมันเป็นอย่างขาดอย่างผีกันอย่างผิดกันน้องมรุกนะยังมีกับิว่าบกน์อ่ะนะ เทศซ่วยเพูดเคยเจอไปเจอไปบริถิถึงไหนแ่้เจ้าเจ้าตัวพวกเจ้ายังรา้โค้ราด้ไปสันพิสิน่ตีกันึ่งนี่ให้เ่าพิสิณอย่างการการสมาทานพิส well. ินต่ก็คือสมาทานรักษากายวาจากของเรานะเรียกว่าชาวพูดทั้งหลายนี่บริถเข้าใจการรักษาสินก็ว่าไปนะพระว่าไปว่าไปใจเฮาเนี่ปีกีไปไข้ของเตือนเนี่บริบทบัต กันฟั้งเทศไหท่านรักษาศีลภาวนาบุเอาไปฝึกปฏิบัติมันงแต่ซื้อกันตั้งครับบุรุษเหี่ยงใจคนวะเหลี่ยงใจบุญกินไข่มันไปกินตีขีไกลไข่มันแมวไปกินเจ้าของกูเหลี่ยงใจกินตีกีไกลนี่ไหท่านอยู่รับกษาท่านศีลอยู่ฟั้งเทศอยู่ ตัง้งโบเลอานิสงบมเอาข้อมโรคปวดร้องออกจากใจของเจ้าของ ย, ยุกยิกสัางโรคพระโทษสะโมหะไวในใจเจ้าของเอ่ยทั้งที่เฮ้ า, ท, าท่านรักษาศีลตั้งเพียรตั้งท่ามนาจีระบายระบายขมตัวออกจากใจขเขาเท่าทั้งพอออกไม่ทั้งทุออกทททททคนใช้ไว้ข้อมอสอบผลเกิดเยอะมาก ถ้าคือความยินยันเจนจุลในผลก็คื อ, อ, คอบูรุษอย่างใจเนี่ยได้ยินใครใตเนี่เข้ า, ขาฟังเทศปฏิบัตินี่ยได้รับละระผลคือความจุลนะทางเข้าหาย ท, า ท, าสาส ท, าท่านถ้าเขารักษาศีลท้าเข้าฟังธรรมแต่ว่าเอาความโรคความปวดความหลงความหลกดุหลายใ น, ในใจเขาเปลี่ยนแทเสื่อผลคุณงามก็มีที่ได้ยินในฟังในกินในท่านในรักษาศีลในฟังเกิก็บเกิดขึ้นมา เรียกว่าเราได้รับผลของการาการฆาาการการกัดเซาะินการทั้งทีเมื่อบรได้รับผลตัรร้สแต่การกบุรุษหี่างไกบริกินใครไกเดไปกินขีมขนันขี่ไกโปเนี่ยหูยาวเท่หว่ะขี่มนหมิ่นหมนเน่ยไปเอาความเคียดไปในนี้เอาความโกรธไปในนี้โลภโภจะโมห้อยู่ในนี้เอาจไฟเขาจะของอยู่เตือนคนมามา ก, กินตันไหนละลูกล่าโกรธล่าลงหร ด่บ่ได้ก็ต้องพยายามด่ะทั้งพยายามกระบอกจกเหืี่ยงพยายามนะมึงมาคูกระไปดูเพราเด็พยายามว่ามีความประโยชพยายามจะละความทักขทั้งหลายออกจากใจจากของเพราะว่าเดี๋ยวาใจ ว, วา่าฟังเข็อาบุญฟังเข็อบุญดูเรื่องจะต้องมาดไ ว, าค ว, วออ้ความทุกข์ทัวงๆอย่างที่ออกจากใจเขาเห่าวความดีจะเกิดขึ้นว่ามีเหวียกว่าบุญ ทันจะไปฟังเทศอาวุนซื้อน่อันนี้ว่าถิมจะเกลือนะวละม้วนบะแล้วมันจะกินโดกกินขวดกินหนงถูกเหม็นอยู่คือบุรุษินสี่ไตไกินไครวั่นเย่ยงไตไปกินไครป่อยไปกินขีวันยักษ์ที่ม้วประโยชน์เพื่นวะถ้าคนจะเจ้าเอาคนสอนเท่านี้ก็ซื้อได้นะแต่ผู้อยากจะย้ายเข้าคือไั้นี่มันขาดจากยังเนาะ มึงไมนขาดจากการผู้นำผู้นำเด็กผู้ชิตตามบม่ได้เข้าใจกันบม่ได้หัวเบื้องฉะนั้นในสมัยยืนย่าวเข้าใจมาถึงกาละบัร น, นี้ของเกา่เกาๆที่ใสจคิด พ, พรพุทะเจ้าของเราคนสอนไปนะั้นแต่พูดเอาเอาผลมาเห็ุป่านมันจึงแปลกมูเปลี่ยนตาของเขาทั้งหลายนะ ออืยังมาปฏิ บ, บัติตามศีลตามถ้ำบานก็ อ, ออกไม่ออกใครเจา้าก็โรงเขทาทายขึ้นหิ้มไปหน้านเนี่ยหิ้มไปหน้าหน้นีีผูเ้เอาเอาขึ้นมาเห็นบานมันดุดแตกของเกา่ามันแตกของเ ก, างเกา่าก็เออโมโหเรื่องโมเรา้าด้ยพิษข้องก๋วยเว น, นี่ยังต่างๆบวกตาละบวกการ้ อ, านอนนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราควรสอนพวกเราทั้งหลายน่ะให้เป็นผู้มีปัญญา ให้เป็นผู้มีปัญญามีศรัทธาเดียวกัมีปัญญาพราะไม่มีศรัทธาก็คือจะต้องมีปัญญาหาเหตุหาผลที่จึงจัดสวัสุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติอุชุปฏิปโนเป็นผู้จิตวัดตรงุงใหญ่ใหปฏิปโนเป็นผู้จิตวัตรเกิดเป็นธรรมสามีจีต ป, โโปีเป็นโอเป็นปุ๋ยวัดตอบยิ่งพวกเราทั้งหลายนะ่ะไม่มีปัญญาบม่ได้ที่เจรณาพระพุทธเจ้าก็สอนสอนให้คนมีปรรัญญาคือปัญญาที่ปฏิเสอง่ายทั้งหลายในเรื่องการสังเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยก็ในปฏิบัติในปฏิบัติ รอบมึงที่รอมืองปฏิวัติสินเหมือนสินหาอย่างเพื่อนในเขตยังนอกคนว่ายเรียนกันหรือว่ายขาตัดนี่ยเอาไปที่หน้ามึงดูนั่นใว่าให้าโ้ยฟ้องกันนี่ยเไป้บอบรอบมะเพั่นถามยังสีมัสดีบอเม่นคนบหามมังกัพิษอยู่ขอแห้งอยู่ใ น, น, น, น, นเด่นเก็นหามเน่นบอจัดใัดมืจักคือดอกคันตบหามมักพิษอยู่เต็มทีมันอล่ะคือตังต้อไฟ เป็คนค่าหามว่ามันหอนน้องปจับมัก็ห่อดเที่ยมปีมั น, นแต่ว่าพีคนหา ม, ม, ามคนเป็นนหามคนบอกเขาทาาา่านร้านบอกเขาไว้ ย, าายังก็มาหามซึ่งยังก็มาหามมตสตุเนี่ยอย่างที่น่ารางคนต้อไปตั้งเศดตั้งจัํา น, นี่บริเวนมาเกิดคุนอย่านั้นมันควางหัวใจคือนใจสอบข้ามควบัวกันไปไปหาควบคัวนั่นแตดว่เาเป็นหามอยู่แต่ตุต้าไปหาผาหรือหามมตสุนเนี่ยผว่าเอา เป็นหานมเจ้าว่อผิดดอกนคนเม่อิดไปได้สียหานั่งรอมนูนนี่นะคือคนเอาเขาใจผิดทุกสิ้งทุกอย่างให้พิจน้่ายมันดีๆบุคคนที่บานเมืเอ่อเขาตีเดือดร้อนเขาโวนขก็ว่าเมื่อเกิดจากยังนังรอมนูนเรื่องศีลอี่ทั้งนั้นนะเรื่องหยับๆเรื่องศีลการเบียดเบียนกันนีบ่ยึชักจะบาด ก, กันนีบ่ การขโมยของกันดีบอสหึออไม่ออกหินออกใจกันดีบ่สไม่าห อ, อให้เขออกไปทางทีจาต้องตัวก่อนหวา้อขึ้นซ้อมขึ้นไปจะไม่ไม่แยแสแดดไม่ออกว่าดีบนั่นอืมดีบอสพี่จะน้ามรู้นี่คือสินนี่ คนพูดกโ ก, โ ก, ดกหกนิวอ็อกเนี่ยคนกินท่าไรนี่งามบอกไปว่ากินเดาเพราาง่ามบอก่ยาเขาเห็นยได้เหมือนกัดีว่าแมนอกวเห็นไหนบวันเห็นยัไงได้มิเตทมัดทังนัน้นอันนี้เนี่ยการสมทนสินเปื่อย่งเปล่อสอนจริงทั้งหลายเ่านี้ให้ห้าการเข้าใจอันนี้หยาบ ความพิดทั้งหลายออกจากใจห้าแล้วเราบริษาความพิษความพิดต้องตรวจ่มีทางสิดเกิดขึ้นมาความพิดมันเกิดขึ้นมามันก็เย็บเย็นจอนนั้นเนี่มันกระทก้งนี่างแหลกมันจะก่อนนี่นี่คือการจับ่ายขาวสะอาดในี่หงส์สี่ไรบันเอาใจห้าสีอ่องใจห้าคือกันถามมันละเจดิทั้ทงหลายควมอมหยาบหยาบ่อ้มีความพิษในสีนเนน่เล้วนันเลี้ยงจะไหนก็ได้ตัวนันนะ คือการ ต, าต้มีดเท่านั้นเด็กก็นเอาเผาไฟมันแดงมันนด อ, ดองีอยั ง, นนยยงนีนี่ก็อะ้วีจอบอะไรตีคนตียังเอาสอบใจสร้างตีทำ น, น่นอันนี้ก็คือการชั้นใดนี่คือการฟังธรการอ่ารัากษาศล น, นั่นมันมีประโยชน์ายอย่างการให้ทานการยองเช้อเสร็จแการแดง การแดงการพูดให้เห็นง่ายๆก็เดีกว่าอันเท่าแบกมาสองทอนสามทอนกับเพื่อนบอกว่าถิมจะ้อนแด้นี่สิหลักคือมันหนักมันหนักหลายอืมันหนักหลายแจ้จะพร้อมกับนัดก็มาคิวสอบอยู่ข้าพนว่าถิมจะน้อยมีของสามทียางถิมจะถินมจะมันหนักโคตรขั้นทีมบอกไปกระเบาลีหน่ะ คือกาแตื้นสามีโรนนั่นละมันนาได้กับทีโรนอย่างเดียวแค่สาเนี่ยแต่ยู่นี่มันก็เบาอันนี้เรื่องของตายที่ออกอยู่กักายใจกัจักว่ามันเบาตายก็เป็นทุกข์อีกใจก็สบายดูจักทั้งตายทั้งใจกมันเบานะของทุกสิ่งทุกอย่างกันขึกันที่มันสั่งสมจนมาหลายนั่นจนบ่มีที่หมายที่ออกมันต่านน้อยหาบ่มีท่าระบายอืม อันนี้ก็โบปไปท่ธรรมดาหรือบปไปตามส่วนของมั น, น, น, นคือกันนะทหารบคนเล่าที่โบมีอการแดงการหายความทุกขถึงกั น, นกันแนะ่โลกมีก็จะอยู่ยากลาบากอันนี้จะยงเพิ่งควบ ม, มิตาหาย่อดสมพวดอันนี้ก็เป็นเครื่องละคองโลกอ น, นึงไม่ซีรุน่นนะเขาก็ยึดหมายซียางซีรุน่นพิมพ์ไปรุ่นหนึ่ง มันก็เบาไปรุ่นหนึ่งขวอมหมห้เห่าเหลือจะพื้นสามรุ่นห่วงแหนอยู่นีแต่ก่อนอห่วงแหนตั้งสีรุ่นมันยากกว่านี้ทิ่มไปได้รุ่นหนึ่งยังเหลือสามรุ่นมันก็คงเหลือสามส่วนทิ่มเปส่วนหนึ่งเบานั่นถึงแม้แบบใหม่ธรรมดาก็เบายังเหลืออยู่สามส่วนไปแต่ส่วนหนึงนี่ระเบาลงไปเมื่อพากว่าจากกายใจก็ดุจัน้าใจก็เบานะนี่คือการยออเสียสละวัตถุ เสียเวลาชัางไทยหน่ายบาเขารูถูกเขายินฆ่าเขาขันนว่าพิณ่าเนีอยมึงหายเขาซักมีห้ท่านก็นดีเนี่ยเนี่ยีห้ท่ า, น, า, า น, นเนี่ยก็เบาเพือนกันอนีอันนี้ใจแบกยากเขารูดถูก่องยังเขาลินฆ่าเขายั ง, ย ง, ยงีเที่ยงที่เดียวว่าเขาแบกไปนัดเป็นหยังม่นจียนวายกูยัง่กข่วนที่วายกูยังสีไป น, นั่งนีนึงคืนเจ็ยนนัก ไงน้ำตาที่เขาเอาออยคือเกลีดยดหรมันนักนใจมันแบกบาเป็นกายถ้าขากว่าท่านดนีออเออเขาเอาซให้เขาซเว้ยมันติดินท่าตาเลี้ยาเาขาเอาซเขอเชเขาจะเปน็นทินท่าเขาทำอลไรไปนี่ให้เขาซะเข า, าจะบอกไห้เขาบอกเข า, าให้เขาซักขณะว่างในขณะนี้เนี่ยสบายนั่งอย่ไรก็บ ส, บสบายสบายนี่คือความใจเขาไปแบกนี่ยียกว่าขี้ดอันนึง นี่ก็เือว่าสารให้ท่านโดยทางปรมันให้ท่านทักจิดใจให้ท่านอารมณ์ตีมันเป็นรูปถ้ำหรือน้าถ้ำนี่รูปถ้ำขึ้นตอนขึ้นใหญ่ๆน่ะเอาวาหนีมาแบกนักมันก็นักกายจะเป็นทูกใจก็มุจัดถุกมันเป็นกอดอันนี้ก็เป็นถ้ำอันหนึ่งมันมาติมนันเข้ามนก็ะนักทีนี้อารมณ์ถ้ำวาหนีมันต้องเป็นรูปยงังไงมันไมีรูปหรอกคืออารมณ์ คือเขาว่ายเขานินท้าเขานี่โมมีตันโมนมีตัว อ, อีนั่ ง, งเงี่ยม่อมโาเห็นใจใจหูหูเว่าเขานินท่าเขากะหนักเกลี่ยนโกดแคบจบโตมันนัด น, น, ด น, ดนี่นี่ น, นัดนี่ทกน้ำน้ทำทำลูกทาน้าทำเป็นไหวว่างลูกว่างน้าอืมการเขานินทาเา้าไป น, นั่งอยู่้กันบสะดัออก ก, รกอารได้แกยอะมนกถูก ไปนั่งไปน่ากะสิดไปมันก็สร้างหวอยกูแท้บอกอันนี้อันนี้บอะว่านั่งอยู่ซืๆมันก็สร้างเหตุสิทธิ์เสนอมันมาคือดูถูกคนแท้บอกว่านอนอยู่ก็คือนั่งก็คือไถ่นํากับปนีมันหนักหลายคันนั้นคลื่อนใมันยังเอ้ยก็สร้างมันหน่อยอันเดื่องเขาว่าหน่อยอยากว่าแตว่าแต่เขาไหวมันว่ามันกระวาวาเดี่ยวก็ะเหลียวไม่กิดที่ปวดอี่ยังตัว ออกอรระเิดนไม่ยอมจะแตกตุ้มก็นใข่เนี่เวยเขาว่าเน่ยรลท่านนี้ก็ฟ้าดวงจะจับเขาไว้เขจะทุกข์เงี้ยท่านมั้นน้เจีาสิจะเป็นท่านอกันเองนี่กับจำไว้าห้าจ้ท่านในน้องนักดนเนี่ยเาห้าเจ้าจางเจ้าหมาบอกได้ ว, ว, ว่าท่านมันมีอีกเจ้ท่านเนี่ยท่านนั้นเนี่ยวายเอาเนี่ยสนี่ยอันน่าสีเสียวเน่ยติดไปเ้าเข า, านีไป บ, บุญดวงมั่นะีไป นั่งกนหนึ่อ้ยกวดขาบุ้ี่แนวท่านอนทีน่แม่นหลายบางคาจังแนวท่า น, น, นบนในท่านดูถ้ำกัท่านน้ำถ้ำกันใ น, นตัวนี่เขานินท่ทชาตาเล่อันนี้อันนั้นถูกอารมณ์บีบอง้ามาอยางนี้ดะเท่ากับโกรธเท่ากับขียเเท่ากับคุณเท่าก็บมัว่วเลยทางท่านก็จะแบบนี้มักกับโมโกโมขีเหร่มักกัสบายนี่กับไ้ท่านเหมือนกันะอันนี้ท่านหน้าดูหน้าขูดหน้าดูง่าจริง ๆ, ๆนะท่าน จะมาในที่ก า, ารกระทำหมุนหนนี้อยู่สุบอนสุตีเาทาท่านหน่วยวัตถุกกไ้ท่านหน่วยน้ำทำไ้ท่านหน่ ว, นวาานยถ้าทำน้ำทำก็เป็นอนิยามบทกันใดให้เราพียาราจังใจนี่วัตถุต่าะทำหมุนกับการเสียสละมั่งขน้นทั้งวัตถุกัเป็นอนิเสสระใดนัอนทั้งรางิตใหญ่กัเสียสระใดนั่นแต่าพนท้าทั้งหลายเขาใจในการกระทำหบุญแดว ตั่งมดีเนว่าในสัง่งในถูกขณะถุกเวลาอน่ยเป็นคน้อี่อรรประจนพระโพธเจ้าพระนาคุโูนยักธรรมเนี่เป็น้อนี่ปรจนในการทาบุญนะบ่ะมาม่แต่มันนี่ขีดเดียทําบุญในวันละมนั่นท่านเลยรูปทามบ่อยกวท่านในหน้าตักงทอาเท่านั่นสินก็ดีรักษาสินเลยคือกันตระกัศสินยังนีเลยเป่นหามหามควบตัวดทุกคนน่ะ เปนามให้หามแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยแนะนำให้ทำจิ่งถิ่มันดีหามจิงถี่มันบรดีแนวจะปล่อยให้อนุญาตเดจ้ามจริงที่มันดีง่้งงจะสอนคนจะสอนปันแต่นี้ยพอพุทธเจ้าจะสอนยังไงหีกเว้ยขอบูดีมันจะห้ามอยู่ในตัวของมันเนี่ยคือมันบูดี แต่นี่ผู้ไปหามดีสัสองสันสามสันกันยังเงินศีวาโมเนีนอยู่อันมันหนาปวดในมนุษย์สี่นอันที่งที่อันที่งที่มันแน่นมันก็เป็นวองมันอยู่เนี่ยแต่ตอนมีผู้บอกอีกสัอานจะมาว่าผู้บทจะสร้างความเิ็นอยู่กับขาดสายขาดบาปแต่เดี๋จองของเที่ยงที่ละของความชั่วาผิดมันก็ผิดอยู่เดียว แต่ก็พี่คนไปบอกอีกสั่ง่ามันผิดจริงๆช่องเทือกสามเทือกปนี่กับสิ่งท่มันยืนโง่จักเทือกเมื่กว่าปามื่นมันอุดเลยอันท่ามันถ่งอันมันก็ถึงของมันอยู่เดี๋ยวก็พ้นจะบอกอีกสั่พีคนบอกอีกสั่งสองต่ออีแต่ย like ังสิ่งที่โง่จักเทือกปนี่กับเหตุในนี้นี่เป็นเนาะนี่นี่ คือการร้างน้าท่านบารรักสาศีลรักสิศีลนี่เพื่ออย่างนี้ข้อหมายยังให้ค้ามใจทางในท่านเนี่ีนี้หมายยังอย่ให้พรกการสใจเอาบุญบุญอยู่มันอยู่วันไหนเี่ยศเ่ยกมันตอบใจอบบุญอยู่วันไดนถ้าคนโม่จกบุญทั้งบุญบ่ใคอ่ไหนบุญเลยโม่บ่บ่ใดถ้าคนโม่จะบาปอะไาบาปบ่เห็นมาแต่เน่ยทั้งโตอยู่หะละยังหย่อนยั่อนอยู่หะเี่ ข้อนโมจังคิมันจะได้คิดใดแบบนองคนมาคิดมันก็ถืออยู่ในฐานะข้อนโมจังอย่างนนี่ข้อนโมจังบุญทําบุญบ่ได้บุญข้อนโมจังบาปละ บ, บาปบ่ได้มึงเพี้ยงกันทําบุญเดี๋ย ว, ว้าวบ่เพียนะยดดเ้ย ง, ง, งนนกันเบิ้มหูจช็งตเบิม้มใจเช็ตวเบิ้มหัวเช็งตวเบิ้มเดาจช็เท่ห์มึน่ะเจ็งสนก่านชิบูเจ็กบุญบ่เช็งแสนทําบุญเนี่ยแต่ไม่ได้มาเช็งบุญันส็ได้บ่ได้ มันก็คนบุญจะบุญนะถ้าบุญมั น, นจะบอดีบุญแต่ก็คน บ, บุญจะบาม่ใช่ละบาบุญใดกันยังว่าบาปเป็นบุญอยู่นะหรือมันโ่ญญมีนป้ยกนะท่านีนะนนะเรื่องไข้หวดมันวกใจหรอกเรื่องใจใส้ไห้พวกเข้าทั้งหลายนี่เพราะเนื่องจากยังเนื่องเนื่องจากโมเรทวนใจโมเรทวนใจในการให้ทานในการฟังเทศการดักตัดสินคือเว่าวเด็วเดียวไปว่าวเดียวเดียวไป บ่ดียกเรยไปบริสุทิ์เริาบริสุทธิ์เริญ น, นา บ, นบริพราวนาบริพาวนาเมื่ก็ บ, บริปฏิบัตินะฟั้งไปเือเจ อ, อ, อไปเจอเจอบอกไปเรียกไปนะไอ้เจ้านันอาจจะมา ถ, ถึงบรรพบรู้ทักษังดายเป็นตัวอยา่างคือตาคือย่าสีบาตสมัยก่อนจะอาจะมาติดอีกหน่อย เขาวัดเขาว่านี่ห้างบ่้จังยังห้องเรื่องห้องเรื่องใา่แต่ว่าอยู่เนี่ยเขาวัดเนียอ้ปเดีวไปจกขันมือนึงเมื่อไรมือนึงเอากรบหไงมาฟังหน่อไปไขเอาคไงอยู่ในหม้อดาผนัเอาคบไปปล่อยในนี้เนี่ยปวดป่ะไปปวดเนี่ยแต่ว่าือดคนนี้น้องวานยม่นเนี่ยปล่อยทั้ง้องคนเนี่ยเอาไปโวดเนาะ เพราะว่าประทายไม่ใช่แต่เพราะว่าคนต้องน้องคนเดียวว้ายเพราะว่าพูดเฉพาะไปเจ้าขันเจ้าขันยังไงเพรเอาไปปวดปวดเขาปวดอย่างนี้เอาไปตากูเอาไปปล่อยน้องเจ้าชีน่ะว่าฮั่นมีสินมีท่ามีว่าฮั่นเห็นเออว่าั่นเห็นเจ้ามาจมากับโมจ่ากับเหมือนพีเจ้าชน่ามาเดียวโอ้ยดูดดันไม่มีเงเห็ดสื่อเห็ดสื่อเห็ดน้ำเนี้ยเอาไปเห็ดสื่อ แจ้งไบบนี้ ม, ไ, มได้ขนาดนี้เทีเ่ยวนั่นแหะแจ้งสิ่งใดแต่ว่าคิดไปคิดมาเรื่องสิลปธรรมของเราแ้วมันกบบมีเบิดมันเบิดแต่อาจะมามามองกันอ่งโอ้ยอันเป็นบทได้ยินม่นเป็นบทได้ฟังมัเป็นบทได้บอกได้เห็นโดยเต็มเป็นบอกกันอยู่วากันอยู่บบอุเบเรื่องมันคือการกปลาอยูท่ทะเล น, ะนี่แหะเนาะ นยินไปจุมมันมันก็เข้มน้ำตเลมนี่บาดนีแสบเข้มปลาตาลมันต้อยอยู่ไหนมันมแสบตามันนะแหงด้ายแงหมากปลาตาลีเนี่ยน้เข้มตันเชือเขามัน่าสรางมัแสบตามันจะบุญปูมันเกิดอยู่ในน้ำตาลีอยางนตามันก็เกิดอยู่ในหันนี่น้ำตาลอย่างนั้นปูถวดยาถวดมันก็เกิดมาจะหันมันก็ด้วย คือความเที่ยงแท้มามันแสบตามันบ็เป็นอันนี้คือการเกิดมาพอพอมผ้าเห็ดยันสัตวแต่เนี้ยที่ยืนันสัมีคือความคือความหนึ่งผิดผิดผิดของพวกมืเท้าทั้งหลายมันตายด้วยเดือดถอดย่างกันถือย่างาันซื้อกันเคยเป็นทะเด็กเลี้ยงหน่อยเตื่อก่อนัารไม่ออกก็ออกไข่อยู่ในบาน เอาเข่าวสารทิบมาจากกิโลหนึ่งเดแล้วไป้าไปสวดนะสวดให้มันในกิโลครัวขันพวจันสันเขาบังในไฟยันนีซะเดีเอาไปฟ้องข่าวสารดีดีดดดให้้าไปสวดสวดให้ข่าวสารมันเหลือบาง มัอ้มันก็บาวัุโมเละโมนิก็ดีวัดเด็กเป็นเจ้าหน่อยจิตใจเด็กเนี่ยขู่นป้าสวัดสวัดแตปัดท้องบ้างมันก็เพราะพนันแน่นอนนั้งแจ้กันโต๊ะตรงเนี้ยมันบอกนั่งเจ้ากันบนนั่นโอ้ยมันผีบาเลยจรมันเป็นบาปวัตทุกคนเัาเจเจวัดเรื่องยังที่กับากันจะหาเหตุยันเงินไูริภาเหตุเนี่ยจ้ะมันหน่ะพาคกเหตุมากจริงสันอะใช่ไรมา กสวดต่อสารมันเือวังเออโมตายก็เพราะนั้นชะตาเป็นขึ้นขึ้นยังสวดเป็นไรใครมันบกพร่ก็เพราะกันเตานี่ยากอยู่ว่าแต่นว่าบึงเนี้ยอันเต็มทอัตามาก็ไม้เดือดสองเดอสามตเขาคือนกันเป็นเดนหน่อยโบเดียไม้เดือนมีดอกคนไปเหตุเหตุเมื่อคืนมึงยืนอยู่โอ๊ย มันก็ะโดมในโรงตีงเดียวนีไ่ไม่ออกเท่ามันกรเดิค น, นได้มันโด่งกันรก็นเนี่ยแค่สีสังงมเทีไปเลยแค่เอืาันเเท ว, วเท้าราคนหัวมิีย ง, ยง เ, เป็นเนิเนห้องเปหัวเท่าแต่เนเนินนให่รูนี่ น, น, น, น, น, นี่ซึ่ฟงึ้ิดคือฟ้องยินิ ด, ด, อดของกองเท่าทั้งหลายยังทีละเดวกะฟองเทียบบันให้พ่อเดวฟังเดยยัาให้สิดตีมาน่ะ ให้ฟังปว่วหนึงฟังปว่วยอาไปที่เจริญนาะให้ฟังนั่งไปภาวนานั่งการใน่านนี่เดียเนการในธาตพยังไงบอกการในทาต น, นี่หมายถึงบ่ให้ลักสองตัน น, น, นะว่าไหาโรคสองกันอย่างไรก็ฮาวาสองกันจะต่ำโวยกันที่การในธาตนี่านานนมาถึงอันนัน การลาศินนะนการดลาศินหมายถึงบใหยโกรธ่อย ห, หาย น, นะการภาวนามหมายิึสงบระงับเพื่อเขานการปังเทศเพื่อให้รู้ได้จริงต่างๆอันพิสันต์อันถือให้มีชื่อข้อหมายต่งนั้นใไม้หมายที่เราทำาทุกวันทุกวัน ทุกเมื่อนี่พวกข้าทังหลายโอ้ยการสางงามตั้มบุญใจใจนป็นสางกันได้นี่เท็ดได้สางบุญสางข้านัตรูเราจะแก้ได้หั่บทท่านใน บ, บ, บุู่โบงจักบนเอวมันคือบัชราคล่มโรคออกจากใจของเจ้าของ มันก็เลยมันมีเรื่องสบายซึ่งเรื่องที่มันบุญการเหตุานการรักษาศีลการเลื่อนเมตตาภาวนาทั้งธรรมะเป็นแบบอนุปิกษาธานรักษาศีรกษาสักกาษาอาชีวกรราสตร์นี่ธมกศาธาตรกษาดาวเชงการุหตทธานการกระความศีรกษาดาวเชิงธาตุก็มีก็ไหว จากตาสีบ่ห้โสดสักนะขาถ้าหากว่าพ้นเท่าพยายามละความโลภมันต่างพยายามปบปู้ที่ดักดีที่เดือด้างในมันก็เบาลงสักกะาควาวมอารมณ์เดียวก็คือสวรรค์จักระอารมณ์อันเดือ น, นั่งอยู่กับอารมณ์ดีเดินกับอารมณ์ดีนอนกับอารมณ์ดีดีเพราะคนมือมีสว บราเวณว่าไปบริเวณขาไปบริเวณขาไปบริเวณยังตุ้งตระหงมันก็เรื่สบายอารมณ์มันกเรื่อสบายตาหูจมูกอินกายเป็นส่วนตัวภายนอกสบายอยู่นก็สบายเลืนึกไปสบายนั่งสบายนอนสบายการงานเล็สบายมีพระราชาวานเน้นพ่อมาดือดขนั่ง WHO ยุ่กันหน่อยก็คือเห็นเดืองกันแต่เป็นทุกข์หน่อยเดินแต่กือเห็นเดือคนนั้นเป็นทุกข์ตัวรก แตมนเรื่องอารมณ์มันจะขึ้น ส, สวรรค์เนียวันสบายผมมีดมาหลังมาเป็นโทษอย่งต่างๆน้าหน้าสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอย่างก็สบายสบายเพราะมผมมีวามผิดในใจผมมีโทษในใจมืในใจมอจะไปู้เดียวจะทำแต่บริยานค้จะมาาวมว่าตายเขาของคนมัมีขผิดทุกที่ไม่วสบายหนมีคือสัทธาอารมณ์เกิดจากจิตใจมันเลื่อ อารมณ์ที่มันเดือดร้อนที่สบายอารมณ์ที่มีความทุกข์ยังปราด ท, ทั้งหลายแผ่นชุมนว่าสักะะกะเรียกว่าสวรรค์เจกัลยาณ์แล้วเมื่อเปจิตดูจิตยังจิจิ้จินโดนปดาบะร่มอันดีดอันเดือดอันกระเสืิดอันงามอันมีดุดเดอะสบายดาคุณนิสิตอีกถ า, าว น, นว่าอาที่ในวัฏ อะี young, ่ในภาษานหมายถึงยิ่งย so ั้งย I mean uh, so, wow ึดไปติดยึูกลายยึดไปติดยึดถูลายตรงนี้ยังม่ติดถูกสุดกัต้อปกกับปูขวดว่เป็นกับปูขวดหเดยอาไปอยู่ในบ้านดือปวดมึงมาเออแม่ยิ่งยั้งถึมาหยาบมาเจียกัอยู่ในหูวดสบาย มีหมวกปีหมวกสัตสระวัยไงนี่อเดี๋ยวพบมันผลอันตรายมันแกแต่ยังบคนเปนว่ายี่ยดยืดด้ทุกหนก็ดีทุกหนคือกานมันจะอยู่ปัะหนังมือก็เห็นประหนังกระยีว่าเลยนอยเด็อไม่ออกคือเรียกก็ขอไปจะมีได้แงหันแงีไปเด้คุวง่าอกรุ่งจิพอเลยต้องหาพบนอยจีฟอกเขาพบอยู่แะบนบุคีู่ดบ เขาจะดีไหนก็ขอลงไปได้บ้านแง่ก็ไปได้บานนั่นมันนอนเมือเแล้วก็าสีบนี้แถวบนนี้สีวนอยู่หอแล้วก็สีเสอสงมันอยู่หนแล้วนาว่างนี้เขาขอก็สีขอเอาข้างกันสีิษทุก้ายนั่นวันไดค้างเขาสีเอาข้างวันใดฝังเขสีเอาฝังเนยสีขอกันมากเนียมันจิตทุกมวแต่มันเกิดเหตุขึ้กันแมีความทุกขกัน สุกเพราะหลักก็ีเพราะยนก็ดีพราะชั้นรเซินกีพราดูเ พ, พราหลาน ต, าต่างๆน่าจะจิตกันนะทุ่งบ น, บนมันีนี่ข้องสุงนี่ก็ยแยกจะไปซุกอยู่หลายห่ควนคนลใหู้จะโทษสองวันแน่โทษวันนี้อยูุ่กจึงเหอมันยังอยู่นําเฮาประามันเสียโดยเขาสิตุกเนี่ยมียดุา ส, สาวดุซ้ายชื่อกันมันว่าง่ายสอนง่ายอยู่ดีก็่ซุกจะบ้าจะมันจะว่าง ประาันผิดงเมื่อหนึ่งมันสะว่าังกองเาเลยาว่าั่งกองเอามันจะเอ า, อเอากกทุกขเสียมี่นีพอกระแม่ประธนนหอกกันอยู่ว่าขึ้นบริษ้นอลเด็ก้นันอย่งย่เงยงแล้วมันสิทุกข์มี่นว่าอาทีพในบรรด า, าให้หัวักโทษมันเนอเนว่าให้หัวักโทษมันขมอเซนออยจะติดบานจีนมันมันน้ย เวลาใบใบมานาองปฏิถึงขึ้นออกถึงเงี้ยไม่เป็นน้ยังนะเป็นน้ำข่าวเบาปฏิบ่ายอยู่เลยเป็นขมาวเบาด้วยเป็นข้าววุ้นนี่นอประเทศมันบอกคิดหวานคิดมันไรมันเลื่อมไรเลื่มน้อยบอกว่านี้แค่ตัวเจ้าข่าแท้ง่าเอามื่อ่อไปมันกาไปบอกมันคิเอะไรทีไรแต่บอกจะหวานต่มันแต่กินเยอะยังมันเท่าไรเลยนั่งสมาธิพอเป็ีนได้นั่งสมาธิพอสงบได้ ด่าดีย่ตดีเสนอเสริญตัดีซุบดีทุกิ้มตัวยงสีสมบัติีเรียวกัข้อเทานั้ารื่องอุกเน่ยไปยาให้ให้เลียนไว้นะรืกหลังตายเทานี้ที่สั่นน่ะมือนีมาตังเศษตั้งทำไหนกินไหนนอนสบายนี่อย่าไปเสียมันมือนีก็ดีนะขาจเ่าแสนจะเทา่องเทาหัวจเทานะมืนึงมันสิเยอะส่องอะไรได้ ีเ er ื kolej, mentioning, mentioning, poetry, min, ok itan, ่อน <arma> ึกว <epsilon> ่าจ <icho> ิปวดหัวก yes, ็ได้ยไปเสียว่าหัวห้าม่มีโรคเยไปเสียว่าทองหามม่มีโรเย็ปเสียว่าขา้าม่มีโรแขนนําอมีโรคเย็ปเสียบว่าหล่ตายเ้ามม่มีโรคเย็บจิเสืยอเออยจิเสืยอนี่มือนี่มันหายโรคอื้อนนี่เป็นโรคเออขยาจก็นี่มันตามขมาขมามันตามเย็ว่าระบบเยียยว่าราบบเท้าเยว่าระบตาย มันทั้งแก่มันเั้งเจ็บมันเช่นสายทีใดน้อยใดน้อยมันเจ็บทีใน้อยมันบอกเจ็บบอกหลายดอกเจ็บต้อหน่อยต้อนุ่มมันเจ็บบอกจะเขามันเจ็บทีใดน้อยเนี่ยเออเจ็บทีใดน้อยใน้อยเจ็บหลาเดียวปวเจ้าหลายหลายปีหลายเดือนหลายมันเจ็บปวดเจ้าเชื่อมันแต่ได้ปวดเือกัน nắng ก็งะชีวิตเขก็จวตาก็จะิตหูก็จะิตมันชีวิตตนวนี้อะไรแบบนี้มันเจ็บกว่เศร้าเยีนยมว่าผู้มือเบียเียนเท่าไรเยีว่าห้ามมเป็นยังไงนี่นี่อาชีวะกาษาโทษของสามมันนี่ได้ข้าพุทธเจ้าเป็นรานี่โทษของสามมันนี่นั่นโทษของขมาว่านี่โมเมนมันนี่สบม่มั่นคืบๆโทษมันก็มี จะเตี้ยจะมันแต่วานไหนเป็นไรจะใส่ได้ให้พ่อแม่โทษวันนีอยูอย่โทษวันนีอยู่นี้กินได้ไหลยมันมีโทษนี่ก็คือการลาบเท่าใดมา ก, ก็ดียดสี่เทามีอยู่ก็ดีขี้บิตสี่เทามีอยู่นี่ก็ดีร่างกายที่อ้วนล่ำอยู่นี่ก็ดีมันสบายอยู่ยนี่ก็ดีอันนี้มันมีโทษอยู่ไหน มันไมีสุขเดียวมันทุกข์มันจึมีอยู่ใครเห็นสองทางหเห็นทางเนีย้ยนี่นี่อาชีพวัคชาโทษสองตา ม, มนมี่ธรรมะคาถาห้ออกพ่าภูติเจ้าสอนห้ออกออกจากยังมีหลกักให้หูจักหลกักดูเท่ามันมีหยดให้หูจักหยดมีสุขให้ดูเท่าสุขมีทุกข์ให้ดูเท่าทุกข์ มีชั้นเสรินเขาชันเสริญไอรูเข่าชันเสริญเขานินทาไอรูเขานินทามีคนทุกข์ใจเพราะปัญญาเมื่อมันเ่อมันทุกข์ใจเพราะมีของหลายเพราะมีของหน่อยเพราะมีของมากของบรมมากของสอบใจเพรสอบใจเรื่องทุกข์เ่อมันเรื่องของเรานั้นเรื่องคนจากทุกข์คือเรื่องปัญญาเรื่องคนมีปัญญาเจียมคนจากทุกข์กานคนมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวเหตุเนี่ มันก็มากลจากสุกเรื่องคนมีปัญญาในร้ายมากกบพระเจ้าสุได้ น, น้อยมากกบพระเจ้าสุขกาพ้ น, นมามีปัญญาคนมีปัญญานี่ยนเป็นย่างบนับส่วนหน่อยบนับส่วนร้ายเป็นไง อ, อยหั่นใจคอยุยจอันนี้ผู้มีปัญญานะอธิกรรมกษัรคนน่าให้ออกให้ออกจากนี้ยังให้มีปัญญานี่ธรรมกษัตยออกจากกาม ออกจากกลุออกจากเสียงออกจากกินออกจากรถโลดสะบ่รสะมรมนีหลาก็ดีมียดกรดีนี่สนเสือนกรดีมี่ชุกมีทุกกรดีมีู่กมี่ร้านมี่อบมีพั่วก็ดีให้ทําสัญญาอไว้ใจของเราสุกลนนะมือหนึ่งมีขั้วรวมกันอยู่วันหน้าวันนาข้างนึ่งวันนาข้างนึงจะต้องไม่จากกันวัตถุสิ่งของเงินทองทีกันหลากคือกันยนือกัน้อ มันจะต้องแยกจากเข้าขอีกทางนึงมันบนนี้เข้าก็บตรงนี้ซึ่บาคนยืนร่วมกันไปตลอดการมันจะต้องไปยังที่ให้คิดไ้วยยังสิให้รู้เท่าไว้ยังสิคนดูไว้ย่าง น, ายยา น, นี่รู้เท่าไว้าย่าง น, นี่สันเจียวกว่าคนภาวนาหรือเป็นนักวยนักปั่มหนักทุกจะเป็นวันที่จอบย่บอดิษฐานเมื่อถึงวินาศเสื่อที่มากกระทบตามเวทตามบาศปรดเษ่าที่เราได้เรียนมาอันนี้ก็คือกันก เรามีสุกเรามีหลักเรามียนเรามีขอบเรามีพัว่วมีดูกมีหลานอย่างที่พุ่ใจจะให้น้ว่างไวน้ำว่างไวให้แยกไวแยงไวอันนั้นเป็นยังสันอันนี้เป็นยังสี่อันนี้เป็นยังสันให้อธิบายให้มันดอก ไ, ไวไวบ้านหนึงเขาต้องอยากเข้าไปเขาบื่ออยากเข้าเขาต้อง อ, งองกากผ่านไปเรื่องแล้วนี้มันเป็นเรื่องบพรามันโตรียมเป็นของธรรมดาเขาจะจะยินมันคือมันมั น, นหมให้เราลอกไปให้ได้มานะ ที่ดถึงไม่ได้ไม่เส็ยนมาบาดกทสาสบายนะสบายถึงโมสบายก็ะอ้นได้กันได้ถึงข้าวถูกข้าวตายจากกันจรองมันจะเป็นคืองถูกกระโดดได้แรงจรงอัดอดัึงเลคึบหยุดีีได้มันไาวจะใช้ผู้อ่นเนี่ยขันาี่บริยานไหววได้คืดไหววุฒิภาวนาไหวขันไปพ่อที่ยาวร่นใช้ได้เลยห่วยห้องมันกะจถึงที่นี่แล้วล่ะ วววัวก็นเรียบมัน่เคยจากกันบ่เคยหนีจากกันาาก น, นี่มาสร้งเต็นท์แต่นอมาส้างเต็นแนอเพราะว่าพสร้างางนี้มันเปลียนใจฮวบกิดคนเดียบุห้องสีชวานดิสไป่ไม้หมันนันนี่เป็นวให้ต่อหาธรรมะเขาบอว่าถ้าสร้างค่ำในอูเร่ยงยงดีใน้างค่ำอูเร่องตรงยังดีนอาจับอันนี้ไปสอนเจ้าของน่าแ่ทอืทวันกน กว่าั้งบันดบัดได้ตงักัถึงถึงประทัเด้เนี่ยใครับไปครมาทับไปใครมาเนี่ยอบม่ไรเข้าถึงข้ามันีอยู่กับแันไปเเป็นส่วนท้าศีพักกาสบายเพรดูเท่ามันเด็นอย่งนอนี่บ่ได้ให้เขาว่ามันเป็นธรรมดาของมันข้าสอนสอนอย่างนี้ข้าทันบอกอย่างนี้มันเต็นอยู่อย่างนี้แดงบ่ได้บอกบ่ได้มาบ่ได้มันเต็นอย่างนี้เข้าที่ีรักฐานข้ายาด เข้าจดได้พึ่งปุ่นประพุทธเจ้าคือธรรมะตองเป็นเพิ่งปุ่นประช่ำเพิ่งปุ่นประชงเข้าจึนผู้ราบด้วยแต่รถสังเหตุที่เจาหน้านี่ให้อนทีบงหูยักบุญบงหัักบาปบงหัักกนุนด่างตายสั้งสารเท่าแล้วตายตามขึ้นกันยังไงขึ้นมาสก้อนขึ้นมาสก้อนมันเน่าเดี๋ยวจะเ อ, อิ่ขึ้นมาอยู่เราผู้สีชั่วเนี่ยนะให้เข้าใจยังไงอันนี้ให้เข้าเข้าใจยางนี้ไวหรือว่ามาฟังซ้มสีผู้เรื่องจริงทั้งหลาย แค่ท่านั้นจริ ง, ง, เ, รงเพราะการกับมามาปฏิมาตินมาปฏิมัติทุใครเฮ้าจังไรเพรการผู้เรื่องเรื่องชีวิตก้องเป็นอยู่นี่มันจิตพ่อจำได้มันเป็นมาอย่างไรอยู่ไปจังไดมาจัางไดอยู่จังไดไปข้างหน้าเป็นอย่างไร ม, นนรรนนมรนันเป็นยังให้เฮ้าจังฉะนั้นเบมืูยัดจันไปจริงแต่เป็นตัวใจเฮ้าก็จิเครียข่ายออกจากกล้องตุกทั้งหลาย ดีดีกว่าเี่ยธรรมะานออกท่านกมจะไหวปอดไหวไหวยืดไหวไหวไม้ไหวใหวมันไหวเรื่องออกปฏิซ <son ated> ้มันมันเป็นมันนาพอจริงท่าไหายมันเป็นอนาตาพอมีไยเป็นไยได้จริงเท่าไหร่แล้วนี่ราตันี้ยศตัี้เส้นเส้นตดวนี้ซุบตัุบตีจริงทีมันชัดปากอยากงงไปเป็นธรรมดาิงเรานีตันี้รมันเป็นแต่เฉพาะเานี่มันเป็ี่นแต่เฉพาะเขาเ่ราะเาเกิดมาไมนกเป็นองนี้ แต่ว่าอาจมาว่าเนค้นเท่านี้มันบาเป็นสะเทือนอย่างบ่จางค้นห้ามก้มดีประวัติ้างก้มดีไปเนี่ยมันอิ่มใจมันปริ่มใจพราะมันมามีแนวอยังสิดได้ติเป็นกวกเต้าม่วเมาอยู่พ่อแห้งมันบามีแนวได้เนียไปมันเป็นยังที่แต่ว่าจะมาไปเบิ่งไง เขาชวงคล อ, องคุนแก อ, อยู่โ้นมอญเ น, ะนี่ยคนนยโหงสิบปีเนะี่ยเขาไปฝากปู่เถาไปร่วมกันหนึ่งเคืองหาป้านไปเบิ้งเจ้าอยูหนันด้ายชูโมงอยู่ปเปรียดนี่ยเขจะพูดว่าไอ้ปู่เถาจะเอนช่วงู่เานี่ขเขาอินเียอยู่หันกับวี่อยู่หันเอาไปสิบเมื่อไหรกคนเขามีคนรักษาปกครองอยังไปยังมากคืนไปึืนมากคือเทีนปูยาตาย่ายเ้าอยู่ คนเท่านี่ยุบเปือกแสงโม่นี่ทวประมาเกินไปเขากินกินเนี่ยวันหวานมันแล้วก็าเอาจิมไปล้างบาตรเปลือกอย่างไงากะไงเปลือกอย่างงุ่มกะงุมปลือกอย่างแจกกะแจกเอาผู้เท่าอายุหก็บตัวไปว่างาน้ำตาลบาตรวยเอาไปลังบาตเท่าแล้วนะเทานึงอยูาาย่หันอยู่เท่าอยัว่าาน ตาใสๆตาคือตาเมียงกุฏีนี่ใสมองเมียงว่าจอจานีบุกมานะบ่าวเจงจนเขาออกเด็ดที่เนี่ยเอาขุนเถาไปช่วยมาไหวอานตรมานั่งไปนั่งมากศึ้นจะหน่อยขอนนี่มันบ่นเป็นเนนพื่อเถิดดั่มันไม่เป็นประโยชน์ดัวยนี้เถาเดี๋ยวเขาไปดีไปรังบ้านอืมขุเาไปดังบ้าน มันเวนิร์กพลเขาถิบของเศษไปจองพอสมเอาไปจองขินมเป็นน้ำบานเป็นขยาม้วนปล่อยเขาก็กีมโดนม้นม้วนหนีกันต้องกับฟองนุ่มกับฟองโอวันจีนสาน้ำมูล น, นั่นเขาจออจินเนี่ยเขาเอาควงตบไปน้ำมูนั่นดนเป็นฟองเศษชนบจะเห็นมิตรไม่ยั้งมินนดดงต ร, ว ร, รอฟวกกันเจตบานจนรัวรถนั่น มินมาแชร์ไกินมุกผมมวนอ่ะหินภูเทน้งจูโฟจเคียยู่กูเห็นโหนี่เนาะน่ะบาร์สข้าตลาดบ้านี้โอ้คเปิบวน์นปพวกภูเทานี่ดินน้องห้องแหงแหงหมูเชนหิบมูเช่นหยิบหมูเดเชดเชนจันอันดีนั่นละตอนก็สีหาวฟ้าไปหาคันอันนั้นวันเดียวกันนั่นละดินไปอ่านนั่นนี่ก็ดีเอ้าเออเพื่อใหม่นั่นะ ใบได้พันโดนถือรวบมันกับพัดแจงไปแจ้งมาธรรมดาของมันนั่นเนี่ยเนาะกันใบได้โดนเนี่ยระส่วนก็มิเตียนสิตุมมาแล้วม่นเนี่ยมันเป็นยังสั่งของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณานี่มาฟังเสษฟังคำให้สบายอย่างหี่หาประโยชน์หนึ่งปิุสมมาไวสองมัดจิมาไวสามปิติมาไวสามไหวสามชวนให้เ้าหาเอานะต่างประโยชน์่วนโลกซะปิสมมาไหซะมัดจิมาไวซะสองวน อย่างมันมากส่วนที่สามแต่งแกอยู่หาชบวัวหรือหกชิบไปเนี่ยเจ้าทำไปเจ้าห้ยถอยจางบาปาจางดำเนี่ยจะอยู่บ้านอยู่เงอนกระดังให้เป็นพระเป็นพอเป็นเมให้ดูเก่าเล่าล้านกราบหวเป็นปฏิกระดังเขาแนะน้ำฝ่กสอนเขานั่นให้เป็นดดิเอวมกติของหลวของหลานผ้า ข, วขวาววัดขาว่าตั้งเยดตั้งํามีศิลมีมีดำ ้าพ ก, การเดือดร้อนสวนกะวายอันนี้เป็นขนมช้ำเนียบทีดีของอรดิชฌชนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระธรรมสุจของเราเป็นสอนอยังต้งเพื่อควมสงบระงับเมื่อควสงบระงับได้จั้งี่กพาะกันเข่าใหญนี้ทมาทำมาเป็นของบดีของละเอียดเกือบืนของเรียบร้อยชัางตั้งที่ให้ายท่านกอดีฟั่งเทศก็ดีรักดาทินล้วนแต่ทิ่งทีให้ผลดีทั้งนั้น แเป็นยังพุทธศาสนาของเราปฏิบัติมานานเป็นอยัางเจัาบริโภคเป็นยังเจ้าบริจมัคีเป็นอย่างเดือ ด, ดอดคนมาถึงศาสนามาถึงคุณนประพุ่นมาถึงพุ้นประถมมาถึงคุณประสงไห้ท่านมาถึง่านให้ศีลมาถึงศีลฟังเทศบุญเจังจเพจนะมันจึงพวกเขาถึงธรรมะเมื่อพวกเขาถึงธรรมะพวกนี้นอกลับพุทธศาสนาก็มือ ด, ดอนตัเปนมากศาสนาคือ่อพวอมจรชื่อข้อมปนทุก์ ธรรมะคือขึ้กัวปัญทุกศาสนาคือข่้กั้วจิงคือนกั้วปลทุกเป็นพ้นเป็นศาสนาเป็นศาสนาเป็นพ้นนั่้นว่าฟระเนี่ยศาสนาว่ายงโอาเนว่าสนามันไม่ใชศาสนาศาสนาคือนกั้วจิงคนไปทาตามกั้วจิงมันก็เลจริงการคนไปทําบโบขึ้นกั้วิงมันก็โเป็นศาสนามันก็บเป็นธรรมะเม้นบวชเป็นพระมันก็โบเป็นพระเน้นเขาวัดมันก็โบเขาวัดมันอยู่นอกวัด นี่พอบุ๊บพใจนี่ทำมาคือการกอคนทำบุญมันสี่ทำบุญคนู้จบุญก็ไรแต่บาปบุญได้บุญคนู้ใจบาปเป็นส่วนกับร่าบาเป็นเพราะว่ามันแนีนอยู่นี่เนี่ยเจสี่มันเป็นอย่างนี่มันจึงรางบรได้แต่ันผู้กว่าปอยู่เป็น่ายมันกัเจ้าเนี่ยมันบุญใจก็ผิดมันเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดเอาดีเป็นชั่วเอาช่าเป็นดีแต่คนสมัยนี้มันหนเป็นยังไนมันโยงังไงห มันดงติบ้านเมืองมันเกิดขึ้นมามันต้องแต่บ้านนั่นเมืองเสด็จกุ้มหน่อยกุ้มใหญ่กุ้มนึงก็คือของขัวเฮ้ากุ้มจีสองก็คือหมู่บ้านเฮ่ากุ้มจีสามก็คือตำบลกุ้มทีสี่ก็คืออำเภออำเภอก็คือจังหวัดจังหวัดก็คือมณฑนมณนลก็คือปฏิจจาริมันจะเป็นเป็นสิทธิ์นี่ด้วยเยนี่สินทามันแยกไม่ไไมันติดแต่มันติดหนึ่งว่าระงับรับหม เจอกันก็บาเมืองความมันบุด่หยมันบุดมันไหวไม่สีแดงยิ่งกันขากันรบกันบ่าโมโจักกันเลยเมเขื่อยเป็นถวดเป็นก่อนโ่เค่ยโูโจักกันบม่เคยอยู่บาดในเมืองใดจังกันไปขากันยิ่งกันซื่อๆโมหจักกันเลยบ่เคยพิกันจะเกลือจังเป็นผู้ไรเป็นใคมืูอ่านนี้พิชกันมือนเจ้งตีกันแตยังใครแหน่ ส่วนเอาค้นปีกันซื้อบุมีเรื่องนี้เล่าเจ้าจีเดียวมันนี้มันเกิดจากยัางมันเกิดจากข้อมลุงบ้เรื่องเร้าวีนั้งสากันยิ่งกันตายไปซื้อเจ้ามันเกิดมาจาอันนี้หนึ่งเนี่ยมันลงนี่คือขมลงคือว่าข้อมบุมีศิลป์บุรีท่ามันเกิดมามันเดือดร้อนเมื่อมันเดือไปแล้วบาดีมันเอาขึ้นเมื่อไรบาดมิเรื่องมันเป็นไปถึงสร้างสิจุบิจุสมาเด็ดด่างอันนี้เนี่ยสอนบุกข้นเ่ละคนเ่านี่คอารช่นั้น พุทธาศาสนายังมีวามหมายอยู่แต่ว่าคนปริวัติศาสนานั้นบ่มีวามหมายเทพวิสุทธศาสนาเฮ็วิสุสธิธรรมโมูหจักธรรมะโมโจักศาสนาโมูจกับจกบุญบ่โหจักามันเป็นเรื่องของอย่างนี่แค่นั้นพอแคเทาจังไรแหพ่า ก, การพิจารณามันดีถ้าคนใจเจ้าคนาสอนว่าคนเท่าจังไเหมือนมันเดือดดอนมากมันสิ่งนึงเลืออยู่เทปทั้นพอดั้นประสงค์นี่ละ E. นอกจากสมุทพระธรรมประสง์มัจะตายเป็นเปรตเป็นป well, right? ีเป yeah, ็นม่านกับือแม่ใจบ่ม hmm. nice. ีิตม ok. sort of like, no, ีธรรม่เป okay ็นเปรดเป็นีบ่มีพอบ่มีแม่แต่นี้เนี่ยใไหบ่มีีบ่มีนอนตาฟ้านั่นแทงกันไปตามภระาสนาเพราะมันมีธรรมะในใจคือสัจมันก็ต้องเปลียนไปอันนี้ก็เาต้องสงสัยอยู่น่ให้คิดเมิ่อธรรมะนี่ตั้งสินสินตัวเดียวที่เิสอนเื่อนอย่างนอนี่นี่เอาพจิเดือดเือกันภูมไใจไปถามนึงเอาบุญอีิคนสี่กันไปถามมึงมันเกิดวาอย่างั้ เอาพมันกินดาก็ไม่แน่นึงนะมันต้องฟิตริ้ตัวหนึ่งละมูนิเกิดกันเียอะไรตันมันเป็นยังแเป็นยังมูนมันทะเากันมันต้องผิดรนวนึงว่าเจอหนในสินนีะมันดูแมนเพิ่์ดโรชแท่นั่งสนเนี่ยตั้งยังว่าสีเยนะสุกฏิยันตุสีเยนะพ่กระตัมป้าผู้รักษาสินนี่มีความสุขสบายใจมันมีความคิดว่ามีมันกระทุกันแล้วมันก็บโทุกแล้ว เห้เขาฟักกันเบาไก่ไก่ยังสิปฏิบัติที่บอกเพี้ยไก่ไก่อ้อานเรื่องของเจ้าของไอา้ยาโจมเขาจหนาอยู่ในคดีบาตมันมีสินหาสมบูรณ์นี่นนโโาา ก, ก็ดีเต็มที่เลยไอ้ษูสดมาเชียงการโสดสินมากนี่ยตกันมาฟังเสกใครได้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมากนะเดี๋ยวยังสินีตา น, นึงว่าให้กินข้าวเย็นเป็นยังมั่นเป็นโทษสมอเปลี่ยนโย่ออันมาดัาสินเนี่ยเป็นโทษหอกเป็นกินข้าวเย็นเป็นยัง กินหลายมันกินั่งสิได้บต่บ่กินข้ายิ่มเสียวบ่เขากินข้าวอิ้มมมเกี่ยวมาสือยัดใจไหนนเป็นนอนก็มันพีดอยงอั่นแต่อันพดเกนอนเ็นในังภาวน่าบ้านผ่านี่ยมันเบาป่อหันอนเนี่ยมันน้อยน่มันพิดวันนี้นักก้นจะเข้าใจว่าเฮ้ยกินข้าวบางกิ่บ่บาบยงกินบ่บาบกินได้าบ่บาบตัวเนี้ยถ้าขอคุณต้ว บาบบบเขาตัวตัวกินมัน่บาบอกนะนะบาบต้องุท so, ี่จะเอ้าเอามากินมันเข่าที่ไผงมันกินลงไปื่อกินนั่กินสาจะฟ้นงะกินินมันเดีอย่มนบารามนนี้มันเป็นังมันเดบาบาทั้งคนมาเสียงก็มีได้เมเป็นกบฏเจ้าว่ากินเข่าที่บาเจ้าบาบต้องทีกินะกินเข่าจะบ้อก่บากินแล้วมากินมันกินยงกินเ้นเดียวกินห่าเข่าเดวนี้มันบาเดยนี้แล้วรอบบที น bon. want, right right ื้อว right right ่าหูจ้างใจี๋ยวาบาแต่งแต่งตัวตังด้าฟั้งก่อนกระบะเดยู่ราบมันม้วนนี่ใจมันหนามันเริ่งนั่งมันกับอะไรยิบมบสบมันนูเป็นธรรมี่มันกับบาบนี่เออที่มาแจงไดเออนอนฟ้องนอน้องนวนฟ้องนิ่ม้องนวนอันใหญ่อันสูงกระบะกับบาบมันสบายโปรดนี่พระนาเนี่พานหันใจพะสองจังหวงกับนอนรับกินดีตอนเด้กมันนอน น่นมันบาปจากกานข้นมูจากบาปที่บาปคนไหนนอนผูกเพราะว่ามิเตมันจะบายตัวบาปแบ่งแ่งตัวมันบาปคนไหนมิเตมันจะอ่านตัวเนี่ยกินเข่ามิเตมันแห้งตัวมันบาปคนไหนเพราะว่าคนขี่ตัวมันตวหาบาปคนเหนนะเพราะมันใจบกขอ้ชาวบาปมันมูจากบาปจากหุ่นมันหาบาปคนเห็นนอกบางทีมันบาปมันเหมือนบาปจะฟ้องวันโวสุดเห็นหนึ่งคอ่ังมันคัดของอยงนี้แหล นี่เดี๋ยวพที่มีปัญญาให้หาไสภาวน่าตั้งต้นนิดหน่อยนึกนวอบวานเขาว่าเอ้ยมาสวัาดิ์สวัสดินหน่อยเจน่วงแจจตายไว้จัวยานก็มี่จุจัวน่ะห่วยกินเข่าเข่าพี่วอยจักินดึกินมาเตนน่อยหวเข่าดึกินยังไงเออึกกินมาเข่าห้องหองพี่วอกยังกินเน่ะมนกินมาเจนหน่อยเสียเขาเน่ อย่างเช่ไงบอกนั่นจ้าระพัดจ้าระพัดเทมันสีเรื่องสี่บอกเนียเอาคนโง่งนันเป็นจังหวาพระพุทธเจ้าเป็นประาท่านให้ถึงพระพุทธให้ถึงพระธรรมให้ถึงพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนสอนแนี่สอนริงสอนแนี่ยนอนคนบอกึงกันบอกกลับบอกเ่ป็นเมือนี่คือการมื่อนทิพย์กันเป็นเวรเปนกรรมในปธรรมสุภกันป็าวิัเานี่คือีตัวที่โเรียนเหี่ม ขาวจะค็จะเขาว่าแน่ติดต้วยเหาดาได้บาทติดตัวยหเหาด่าได้บัตบัตรจาิเท่าที่จังใดอืมเรือีเรีหาจึงเกลียวขอบว่าขอบว่าจรียหันจิตยังไงขาเป็นเป็นวงก้อนเนี่ยขาเป็นวงก้อนเนี่ยหัวก้อนแน่วนั่นเขาติตัวให้ตายได้วงจับเรื่องด้หัน มันจะสูดขึ้นรถลูกเต่าไมื่อไรนะเสียตังไหนให้เราตือนต้งเยอะเืนเต้าเต่าหรืออยากได้งานไดยฟ้องได้